จารมันพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0สิบสิงหาคมพุทธศักราชส5 5พบเป็นวันพระวันธรรมวันะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐ เพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐอยู่ประเสริฐที่ตรงไหนประเสริฐที่การได้มาสร้างสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นภายในใจก็คือพุทธธรรมะสังขะที่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของจิตใจถ้าเรา ได้มีภาพพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธธรรมสังฆะปฏิสถานอยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะเป็นใจที่ประเสริฐเลินโลกเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านประเสริฐ ด, ด้วยพุทธธรรมสังฆะ การที่เราจะทำให้มีพุทธธรรมสังฆะปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้ก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมปฏิบัติกายวาจาใจของเราตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ก็เป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการประดิษฐานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปรากฏอยู่ในใจเรียกว่าเป็นการสร้างพระที่แท้จริงเพราะพระที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจพระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างจากโลหะชนิดต่างๆนั้นยังไม่ได้เป็น พระที่แท้จริงเป็นเพียงพระปฏิมาคือเป็นรูปเหมือนเพื่อให้เราได้รำลึกถึงพระที่แท้จริงที่จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราหากเรานำเอาพระธรรมคาสอนมาปฏิบัติ <Yeah. S 1> เพราะพระที่แท้จริงนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นรูปประทัม แต่เป็นนามธรรมเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุยายาสามิจปนนิปฏิปันโนปฏิปันโนถึงจะปรากฏพระที่แท้จริงขึ้นมาก็คือการปฏิบัติความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมการตัดการละบาปทั้งหลาย ให้หมดสิ้นการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คือธรรมะปฏิบัตินี่คือการดำเนินตามแนวทางของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอยู่ตรงสามจุดนี้คือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ละบาปทั้งหลายและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การที่เรามาวัดเราก็จะได้ทำสิ่งทั้งสามนี้ตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละท่านทำมากก็จะได้มากทำมากก็จะเสร็จงานได้เร็วขึ้น ถ้าทำน้อยก็จะได้น้อยก็จะใช้เวลามากกว่าจะปฏิสถานพระที่แท้จริงให้คู่อยู่กับใจให้ไว้เป็นที่พึ่งให้เป็นสรณะสรณะอื่นใดในโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถป้องกัน ความทุกข์ต่างๆให้เข้ามาในจิตในใจได้นั่นเองต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขา ต่อให้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาษัตย์หรือเป็นอะไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งความทุกข์ต่างๆให้มารุนเร้าจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดี ความพัดพราคจากกนกคดีหรือปัญหาต่างๆก็ดีความวุ่นวายใจต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะยับยัง้งหรือป้องกันให้เข้ามาเหยียบย่ทำทําลายจิตใจของสัตว์โลกได้เลยยกเว้นสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เกิดจากการไปสร้างพระพุทธรูปมากราบไหว้บูชาไม่ได้เกิดจากการไปอ่านหนังสือธรรมะเฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้อยู่ที่การไปกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าองค์ต่างๆหรือนำรูปเหมือนของท่านมาประดิสฐานไว้ ที่บ้านหรือห้อยไว้ที่คอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นไม่ใช่ของจริงของจริงนั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่ได้กล่าวไว้คือต้องทําความดีเสมอต้องละบาปเสมอ ต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเสมอจนกว่าความโลภความโกรธความหลงจะหมดสิ้นไปจากจิตจากใจเท่านั้นถึงจะมีพระสรระปรากฏขึ้นเต็มดวงในหัวใจของเราเมื่อมีสาระปรากฏขึ้นเต็มดวงแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่มีความหวั่นไหวจะไ ม, ม่มีความหวาดกลัว จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดนี่คือความประเสริฐของพระรัตนตรยัยของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์อยู่ที่การปกป้องจิตใจของเราให้ไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายมาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองแต่การที่เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาได้ เราก็ต้องยึดหลักอัตตหิอตอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเราจะต้องเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ให้คนอื่นเขาศึกษาแทนเราเช่นเราบวชพระให้คนอื่น มีคนเขาอยากจะบวชพระเขาไม่มีปัจจัยไม่มีเงินทองเราก็ช่วยเหลือเขาด้วยการออกเงินออกทองเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชแล้วเราก็คิดว่าเราได้บวช ด, ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เราเพียงแต่ได้ให้ทานเท่านั้นคือเราได้สละทรัพย์ของเราให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแต่เราไม่ได้บวชเราไม่ได้ศึกษาเรายังไม่เป็นพระเราเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนผู้อื่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเพราะเป็นการกระทำความดีนั่นเองการกระทำความดีนี้จะช่วยให้เราได้พัฒนาการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆให้เรามีกำลัง ที่จะละการกระทำบาปทั้งหลายได้เช่นถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆรับใช้ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่เราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ไม่มีพระคุณกับเราแต่เขาเดือดร้อนไม่สามารถช่วยตนเองได้เช่นคนพิการคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเราช่วยเหลือเขาจิตใจของเราก็จะมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอก็จะทำให้เราไม่อยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน เราก็จะเป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาถ้าเราทำอะไรเราก็จะถามก่อนว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ไปลักทรัพย์หรือไม่ไปประพฤติผิดปรเวณีหรือไม่ไปพูดปดมดเท็โกโหกหลอกลวงหรือไม่ไปเสพสุรายาะเมาและอบายามุขต่างๆหรือไม่ถ้าทา ถ้ า, ถ, าถ้าต้องทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่อยากทำไม่ชอบที่จะทำเพราะเราไม่ชอบที่จะสร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองการทำความดีจึงเป็นพื้นฐานของการที่จะทำให้เราละการกระทำความชั่วต่างๆได้เพราะเมื่อเราทำความดีอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีความสุขมีความพอใจ มีความมีความภูมิใจมีความอยากน้อยลงไปมีความต้องการสิ่งต่างๆน้อยลงไปทาให้เราไม่ต้องไปแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อที่จะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตามความต้องการตามความอยากของเราเพราะเราเห็นแล้วว่าความสุขของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการการได้มา แต่กลับเกิดจากการให้ไปเราให้อะไรไปแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขเราได้อะไรมากับทำให้ใจเรามีความทุกข์เพราะอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จะเห็นคุณค่าของการให้เราก็จะเห็นคุณค่าของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะเมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องคอยกังวลที่จะต้องมาป้องกันตัวเราจากภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทาบาปของเราถ้าเราไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีผู้อื่นมาทำร้ายมาเบียดเบียนเราเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของเราก็จะมีความสุข และก็อยากจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นก็จะสนใจต่อการทําจิตใจให้สงบเพราะความสงบของจิตใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามลําพังของมันเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังธรรมะแต่อย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรารถนาที่จะมีความสุขแต่เกิดขึ้นจากการควบคุม ความคิดของเราให้คิดเท่าที่จำเป็นให้คิดให้น้อยที่สุดและให้หยุดคิดเป็นครั้งเป็นคราวการที่เราจะควบคุมความคิดของเราได้เราก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆคือเราต้องเฝ้าดูความคิดของเราว่ากำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ถ้าคิดถึงเรื่องเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็อย่าไปคิดมันเรากำลังเขียนหนังสือก็ให้เราคิดอยู่กับเรื่องการเขียนหนังสือเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับเรื่องของการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับเรื่องนั้นๆอย่าทำไปอย่าอย่าทำไปแล้วก็คิดไปถึงเรื่องอื่น ถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่ได้ควบคุมความคิดของเราถ้าจะควบคุมความคิดของเราก็ให้คิดกับเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดถ้าขณะที่เราทําอะไรอยู่ไม่จําเป็นจะต้องคิดแล้วใจยังอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้คิดคําว่าพุทโธแทนก็ได้ให้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเช่นขับรถไปจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง รอให้ไฟเขียวก็อย่านั่งคิดให้มันทุกข์ระทมใจอยากคิดอยากให้ไฟเขียวมาเร็วๆ เ, เพราะมันไม่มาตามความอยากของเรามันมาตามเวลาที่เขากำหนดไว้ที่เขาตั้งไว้เราคิดคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใจของเราจะเย็นแลวเราจะรู้สึกว่าไฟเขียวนี่มาเร็วกว่าที่เรา อยากจะให้มาเสียด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเกิดมีความอยากให้มันมาแล้วมันจะรู้สึกว่ามันยาวนานหรือเกินแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันเราจะรู้สึกว่ามันมาเร็วหรือเกินอยู่ที่ใจของเราถ้าเราอยากจะได้อะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันช้าหรือเกินอยากจะรวยนี้รู้สึกว่ามันช้าหรือเกินแต่ความแก่ความเจ็บความตายนี้รู้สึกว่ามันมาเร็วหลือเกิน พอเราไม่อยากคิดถึงมันพอเราไม่คิดถึงมันมันก็มาเร็วเพราะฉะนั้นเราจึงควรควบคุมใจของเราอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้ใจของเราวุ่นวายให้ใจของเราเดือดร้อนไ ป, ปเปล่าๆความคิดของเราตามลาพังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นได้หรือเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นความแก่ความเจ็บความตายความคิดของเรานี่ไม่สามารถไปยับยัง้งไปหักห้ามมันได้แต่ถ้าเราคิดเป็นเราจะยับยั้งความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราสอนใจให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่ตายแต่สิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเรา คือไม่ใช่เป็นใจผู้คิดใจผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาของใจใจได้ตุ๊กตานี้มาตอนที่เกิดในท้องตอนที่มีปฏิสนธิในท้องของแม่เมื่อมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นใจก็มาครอบครองตุ๊กตาตัวนั้น ตั้งแต่ยังเป็นหยดน้ำอยู่สองหยดมารวมกันหลังจากนั้นก็จเจริญเ ต, ติบโตขึ้นมามีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นมาเมื่อมีร่างกายที่ใหญ่โตก็ไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้ก็ต้องคลอดออกมาแล้วก็มารับประทานอาหารที่มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จเจริญเ ต, ติบโตขึ้นมา เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายไปในที่สุดนี่คือร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใจผู้คิดผู้มาครอบครองแต่ใจไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการสั่งสอนให้รู้ถึงความจริงอันนี้เพราะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตวถึงความจริงอันนี้ใจของสัตว์โลกทุกดวงก็จะหลงยึดติดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเมื่อร่างกายต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปใจก็วุ่นวายใจก็หวาดกลัวใจก็เศร้าโศกเสียใจ ทั้งท ง, ท, งที่ผู้ที่หวาดกลัวเศร้าโศกเสียใจนั้นไม่ได้เป็นอะไรไปเลยแต่ความหลงความมืดบอดหลอกให้คิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอร่างกายเป็นอะไรไปก็วุ่นวายใจกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าวุ่นขุนมัวอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งวัจนจนกว่าจะตายจากกันไปแล้วมืตายจากกันไปแล้วก็ไปหาตุ๊กตาตัวใหม่ได้ตุ๊กตาตัวใหม่มาก็หลงยึดติดเหมือนเดิมได้มากี่ตัวก็แบบเดียวกันมีความกลัวมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นการรวมตัวของดินของน้ำของลมของไฟในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นขา้าวเป็นผลไม้เป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาต่างๆก็ล้วนมีดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบทั้งนั้น แล้วเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็มาแปลงเป็นอาการสาสบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปจนถึงขีดสูงสุดแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วก็เริ่มสลายไปในที่สุดเวลาตายไปดินน้ำลมไฟก็แยกออกจากกัน น้ำก็ไหลออกจากร่างกายลมก็ระเหยออกจากร่างกายไฟคือความร้อนก็ออกจากร่างกายเหลือไว้ก็เพงเพียงแต่ส่วนที่เป็นดินเท่านั้นทิ้งไว้ไปเรื่อยๆต่อไปก็ผุเปื่อยผุไปกลายเป็นฝุน่นกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นขี้ฐานไปถ้านำเอาไปเผานี่คือเรื่องของร่างกายของเราที่เราหลง ผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราและร่างกายของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นพ่อเป็นแม่ของเราจริงๆความจริงตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาร่างกายของเขาตายไปตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต in ้องไปต่อถ yeah, ้ายังมีความอยากมีความหลงก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าไม่มีความหลงไม่มีความอยากก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะเป็นใจที่บรรลุถึงพระนิพพานใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายเป็นใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ว่าจะทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียบไรก็ตามเมื่อใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปใช้บาปต่างๆที่ได้เคยก่อกรรมไว้ในอดีตนี่คือวิธีที่จะหนีกรรมได้ที่จะหมดกรรมได้ก็อยู่ตรงที่ทำใจให้บริสุทธิ์ให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถ้ายังไม่สามารถชำระให้หมดได้ก็ยังต้องเกิดอีกและเมื่อเกิดก็ยังจะต้องใช้กรรมที่เคยทำไวอีกแม้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ดีถ้ากรรมมันมาตามมาถึงก็ยังต้องรับใช้กรรมนั้นเช่นเดียวกันต่างการตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้น ไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่หวาดกลัวไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนหรือกับสมบัติเข้าของเงินทองของตนหรือกับญาติสนิทมิตรสหายของตนจะไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวัตถุ เป็นดินน้ำหมุนไฟเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราคิดกันคนที่เราคิดกันนั้นเป็นเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นคนที่พูดคนที่นึกคิดคนที่รับรู้สิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกายคนที่รับรู้เรื่องราวต่างๆนี้คือใจนี่ใจก็มีอยู่สองใจใจที่บริสุทธิกับใจที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความทุกข์ต่างๆมาเอียบย่ำทำลายแต่ถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์ใจนั้นยังมีปัญหาอยู่เพราะจะต้องว้าวุ่นขุ่นมัวหวาดกลัวกับภัยต่างๆกับความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดี ความพัดพลากจากกันก็ดีก็จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสร้างสาระที่พึ่งทางใจให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เท่านั้นนี่คือหน้าที่ของของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าปราศจากถ้าปราถนาความพ้นทุก ถ้าปรารถนาความสุขที่เป็นปรมังสุขขังคือเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ก็จะต้องสร้างสาระคือพุทธธรรมะสังขะนี้ให้เกิดขึ้นในจิตในใจให้ได้ด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมเมื่อรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ อย่างไรก็ต้องน้อมเอามาปฏิบัติด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถปฏิบัติด้วยตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นปฏิบัติแทนเราไม่ได้ผู้อื่นกินข้าวแทนเราไม่ได้ฉันใดผู้อื่นก็ชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ฉันนั้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นสิ่งที่ผู้อื่นจะช่วยเราได้ ก็เป็นเพยงชี้ทางบอกเราให้รู้ว่าทางไปสู่ความพ้นทุกขนั้นไปทางไหนเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบอกทางเราให้รู้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้นั้นจะต้องทำอย่างไรและท่านทำเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเหมือนท่านเราก็ต้องเชื่อท่านเชื่อพระธรรมคำสอน แล้วเราก็ต้องเอาการปฏิบัติของท่านมาเป็นเยี่ยมอย่างท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่อย่างโลภโมโทสันหรือท่านอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายท่านอยู่แบบปล่อยวางอยู่แบบมักน้อยสันโ ด, ดเราต้องเอาวิถีชีวิตของท่านนี้มาเป็นแบบเป็นฉบับเอาคำสอนของท่านเป็นเป็นทาง การดําเนินชีวิตของเราถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในจิตในใจของเราไว้เป็นสรณะไว้เป็นที่พึ่งไว้ป้องกันภัยป้องกันความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรม เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายไปพัาดพลาจากกันแล้วก็ไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายไปพภาดพลาดจากกันใหม่วนไปอย่างนี้มาอยู่นับไม่ถ้วนแล้วและจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถสร้างสวรรนคะ ที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นได้ยศ ะ, ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอพ่อธรรมคาสอนและจะต้องเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะมีโอกาสที่จะสามารถสร้างสาระที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นได้สามารถทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นสิ้นสุดลงได้ต้องเป็นมนุษย์ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์และต้องมี พระธรรมคำสอนมีพระพุทธศาสนาไว้เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางถ้าไม่มีสองส่วนนี้แล้วโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากแม้จะเป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีเป็นหลายกับหลายกันด้วยกันเป็นเวลาอันยาวนาน แต่ถ้าได้เจอพระพุทธศาสนาในขณะที่เป็นได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบุญบารมีให้นานถึงกลับถึงกันบางท่านสามารถบรรลุได้เพียงฟังพระธรรมคำสอนเพียงครั้งแรกถ้ามีถ้าเคยสั่งสมบุญบารมีมาแล้วในอนดีตเช่นบางท่านในสมัยพุทธกาล พอพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาพอได้ฟังเพียงครั้งแรกก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นโอกาสที่ประเสริฐเลิศโลกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระธรรมคำสอนมีโอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปบำเพ็ญบุญบรารมีให้เหนือยากเป็นกับเป็นกรรมและต้องไปใช้บุญใช้เวงใช้กรรมเองกเป็นกับเป็นกันมีเป็นโอกาสทองเป็นเป็นเวลาที่ประเสริฐคือเวลาที่เรามีโอกาสได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกทางใดเราจะเลือกทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เราไปหรือเราจะเลือกทางของความโลภโกรธหลงชี้ให้เราไปถ้าเรายังโลภโกรธหลงอยู่ยังอยากมีความสุขทางโลกยังอยากได้ลาบยศเสริญสุขอยู่ก็ <c oughs> แสดงว่าเรากำลังเชื่อฟังความโลภความโกรธความหลงเชื่อความมืดบอดเชื่อ เชื่อการเวียนไห้าตายเกิดแต่ถ้าเราเบื่อกับการสแสวงหาลาบยศเสรเสริญสุขเรามีความสุขกับการเสียสละการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรากำลังสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรากำลังเดินไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะไปทางไหนผู้อื่นเลือกแทนเราไม่ได้เดินแทนเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นจึงขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปในไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สนผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งหนทางโลกและหลายทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเถอ